ใกลกับบ้านโคกตำบลตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครอันเป็นบ้านเกิดบ้านเดิมของท่านอาจารย์โกงมาจิระบุญโยท่านเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้ไม่ได้รอช้าคิดถึงวัดวาอารามที่ท่านได้สร้างด้วยทุนท ร, รัพย์มหาศาลและญาติโยมที่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านทุกๆอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งน่าจะต้องขูกพันมากมายเช่นวัตถุก่อสร้างที่น่ารื่นรมญาติโยมที่นอบน้อมเลื่อมใสมากมายนะัก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 เพราะพวกเรามีสมบัติอยู่แต่เพียงตะบาดใบเดียวจีวรครองอยู่เท่านั้นก็จึงได้เริ่มออกเดินทางเดือนเมษายนพุทธศักราช2484มันเป็นระยะเวลาพอดีเอาซิจริงๆเพราะปีนี้มาอยู่วัดจันทบุรีวัดายงามเป็นวัดแรกก็เดือนเมษายนเวลาจะจากไปก็เดือนเมษายน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 ไม่ต้องไปเป็นสมภารให้มันหนักอึง้งเราแม้จะนอนกับดินกินกับหญ้าแต่อิ่มด้วยธรรมิติแล้วท่านได้กล่าวอย่างนี้กับข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังถวายการนวดให้แก่ท่านในค่ำคืนวันหนึ่งตอนพระอาจารย์คงมากับพระวิริยังเดินทุดดงตามพระอาจารย์มัน่น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 ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตของการเดินทุดงมหาวิบากแม้จะมีการเดินอยู่ตลอดเวลาอันยาวนานแต่ก็ไม่เหมือนครั้งนี้จะเป็นเพราะเหตุใดผู้เขียนเข้าใจในภายหลังว่าพระอาจารย์โกงมาท่านต้องการทรมานตัวของท่านและข้าพเจ้าผู้เขียนไปด้วยเพราะการเดินทุดงครั้งนี้จุดมุ่งหมายมีอยู่สองประการประการที่หนึ่งต้องการทรมานกิเลส เมื่อพบที่สงบดีก็จะพักภาวนาอยู่หลายวันเพื่อเพิ่มพูนพลังจิตประการที่สองเพื่อไปพบพระอาจารย์มั่นภูริทตาเทระอันเป็นจุดประสงค์แท้จริงจากอำเภอมะขามท่านก็เดินด้วยเท้าขพเจ้าก็เดินด้วยเท้าไปตามทางเกวียนบ้างทางเท้าบ้างแดดร้อนจ้า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 มันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งและควรจะพิจารณาในเมื่อเห็นหญิงสาวให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดและพึงพิจารณาไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในใจว่าเป็นของสวยงามทั้งตัวเราและตัวเขาหลังจากนั้นท่านก็พักผ่อนจนรุ่งสว่างแล้วออกบินธบาตมีแต่ชาวเขมรทั้งนั้นเขาเห็นพวกเราเข้าไปบินบัตตะโกนกันทั่วไปให้ใส่บาตรว่าลูกสงโมกเหย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 ตกเย็นประมาณ18นาฬิกาก็ถึงหมู่บ้านขุดพลอยแต่ไม่ใช่บอ่อไยลินอยู่ในเขตอำเภอไยลินเป็นเวลาค่ำแล้วก็แวะเข้าพักในวัดทุกทุกวัดเป็นวัดแบบพมา่าแต่พวกนี้กุลาหรือไทยใหญ่อยู่เมื่อสงครามอินโดจีนพวกกุลาพวกนี้อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีเป็นส่วนมาก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 พวกชาวบ้านพอทราบว่าพวกเรามาก็ดีใจเพราะไม่มีพระ ร, รมบุญมานานแล้วพระของเขาได้หนีกลับไปประเทศพมา่าหมดตอนเช้าท่านอาจารย์กงมาก็พาข้าพระเจ้าไปบินธบาททุกคนออกมาใส่บาตรกันอย่างอุนหาฟ้าข้างเขาเรียกพระว่าเจ้าบุญเรียกสัมาเนว่าเจ้าสร้างพระเรียกโยมผู้ชายว่าตะกา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 แล้วก็ขอพักอยู่กับในบ้านกับชาวขเขมรชาวขเขมรได้เอาหมากพลูบุรีมาเลี้ยงเป็นการต้อนรับขณะนั้นชาวกุลาได้เหลือไปเห็นหินเป็นก้อนก้อนสีเขียววางอยู่ในเช่นหมากจึงหยิบมาดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นพลอยที่มีค่ามากจึงพูดกับชาวขเขมรว่าอันหินอย่างเนี้ยมีที่ไหนบ้างชาวขเขมรบอกว่ามีถมไปกุลาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้น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 ข้าพเจ้ารู้สึกราบซึ้งในข้อเปรียบเทียบนี้มากการเดินทุดงทธุระ ก, กันดานไกลเป็นพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตของพระอาจารย์โกงมาจุราปุญโยกับข้าพเจ้าซึ่งได้ทั้งความวิเวกได้ทั้งทันศนศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งได้ความอดทนพิเศษ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 ข้าพเจ้าได้ทัดทานท่านไว้ว่าท่านอาจารย์ครับผมเห็นเขาศรัทธาดีจริงๆอ่อนน้อมใกล้ต่อการปฏิบัติท่านอาจารย์แนะนำเขาอย่างไรเขาก็มิขัดข้องเลยอยู่โปรดเข้าไปอีกสักภาคหนึ่งเถอดท่านขู่ข้าพเจ้าว่าวิริยังตัวเธอในยังอ่อนต่อความเป็นสงนักเห็นความดีของเขาเพียงเท่านี้ก็หลงนี่คือเหยื่อล่อให้พวกเราติดกับละ่ะอย่าอยู่เลยพรุ่งนี้เราไปเถอด ข้าพเจ้าจึงขอพูดทัดทานท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่ากระผมเห็นว่าควรอยู่ต่อพอปลูกศรัทธาให้เขารู้ทางการบำเพ็ญสมาธิพอสมควรในไหนท่านอาจารย์ก็ได้ผ่านมาทางนี้แล้วกระผมคิดว่าในอนาคตคงจะไม่ได้มาตลอดชีวิตก็ได้ตกลงท่านก็เชื่อข้าพเจ้าอยู่ฝึกฝนสมาธิให้พวกกุหลาทั้งหญิงและชายแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า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 มันเป็นความจำเป็นเลอกเกินที่เราต้องรู้ภาษาลหลายๆภาษาท่านอาจารย์พาะข้าพเจ้าพักอยู่ในวัดนี้แล้วตอนเช้าออกบิณฑบาตเช้าขมรมาใส่บาตรเขาไม่เคยเห็นบาตรใหญ่และสวยอย่างนี้มาก่อนต่างก็มาดูบาตรและจับดูกันเป็นการใหญ่แล้วพูดว่าละอ้อละออแล้วว่าสวยจริง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 เข้าไปเปิดดูข้าพเจ้าต้องเอะใจขึ้นมาว่าทำไมน้ำจึงเต็มโองคงหมดทุกใบทั้งดีใจทั้งสงสัยว่าใครนอตักน้ำมาไว้ที่นี่อย่างกลับจะรู้ว่าเรามาวันนี้ทำให้หมื่นงงไปหมดข้าพเจ้ารีบกลับไปที่ศาลานิมนต์ท่านอาจารย์มาที่ตุ่มน้ำเพื่อส่งน้ำหลังจากนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ส่งน้ำเป็นที่เรียบร้อย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 ท่านอาจารย์กลับยอเอวหนักขึ้นท่านบอกว่าไปไม่ไหวแล้ววิริยังเอ้ยยอแบบนี้มันเข็มแทงเราจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่ายอจะหายข้าพเจ้ากลับดีใจเมื่อได้ฟังท่านอาจารย์เพราะจะได้อยู่ทําความเพียรให้ถึงอกถึงใจในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เป็นอันว่าพวกเราต้องอยู่ที่ถ้านี้ถึงเดือนเศษ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 ก็เกิดเสียงนั้นขึ้นมาอีกจึงทำให้ใจหายรู้สึกว่าจะโดนลองดีเสียละกระมังแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมกลัวทำใจกล้าแต่เสียงนั้นมันคอยจะมาหลอนเอาตอนเคลิมทุกทีขณะที่เตือนจริงๆทําทำไมไม่มีเสียงจะมีเสียงเอาตอนจะหลับอย่างไรเสียต้องมีเหตุเป็นแน่แท้ข้าพเจ้าเลยตั้งใจเอาเสียเลยว่าค่านี้เราจะไม่นอนละ่ะจะต้องทาสมาธิตลอดสว่างเลย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 จนไม่ทราบว่าสว่างศิงตาเมื่อไหร่ข้าพเจ้าได้นำเอาเหตุการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาเล่าถวายอาจารย์ท่านก็หัวเราะแล้วพูดว่านั่นแหละเธออยากประมาณเขาก็มาเตือนละสิเขาหมายความว่าอะไรครับข้าพเจ้าถามก็พวกเทพเจ้านั่นแหละท่านตอบเทพเจ้าเทพเจ้าข้าพเจ้าคำนึงอยู่ในใจว่า